พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส4ประสูตรที่29ภาละบันดิตสูตรสูตรว่าด้วยพานและบันดิตพระผู้มีพระภาคประทับนเชตวนารามตรัสแสดงลักษณะของคนพานสามอย่างคือคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วคนพานจะต้องประสบทุกโทมนัสถึงสามประการในปัจจุบันและตายไป ก็จะเข้าสู่นรกกำเนิดเดรัจฉานหรือถ้าเกิดในมนุษย์ก็เกิดในตระกูลต่ำยากจนมีผิวพันธ์สามถูกโรคเบียดเบียนไม่มีลาบส่วนบัณฑิตมีลักษณะสามคือคิดดีพูดดีทำดีบัณฑิตย่อมได้สวยสุขสมนัดถึงสามประการในปัจจุบันและตายไป ก็จะเข้าสู่สุขติโลกสวรรค์และส่งแสดงสมบัติจกักรพัทโดยละเอียดว่าเทียบกันไม่ได้เลยกับสมบัติทิพย์หรือถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดในตระกูลสูงมั่งคั่งรูปงามมีลาบพระไตรปิฎกเล่มที่ส4พระสูตรที่ส0สิเทวทุตสูตรหรือเทวทูตสูตร สูตรว่าด้วยเทวทูตพ ร, ระผู้มีพระภาคประทับณเชตวนารามตรัสแสดงว่าผู้มีทิพยจักสุกยอมเห็นสัตว์ทั้งหลายตายเกิดเลวประณีตผิวพันธ์ดีผิวพั น, พ น, พนส์ามมีคติชั่วเข้าถึงฐานะต่างๆตามกรรมเปรียบเหมือนคนมีตาดียืนอยู่ตรงกลางระหว่างเรือนสองหลัง ย่อมมองเห็นคนเข้าออกเดินไปเดินมาสู่เรือนฉะนั้นทรงแสดงถึงนายนิระยะบาลคือผู้รักษานรกหลายคนจับคนที่ไม่ดีไปแสดงแก่พยายมขอให้ลงโทษพยายมถามถึงเทวทูตห้าคือเด็กคนแก่คนเจ็บไข้คนถูกลงโทษเพราะทำความผิดและคนตาย แล้วชี้ให้เห็นว่าจะต้องได้รับผลแห่งการกระทาที่ชั่วนั้นๆแล้วส่งแสดงการลงโทษต่างๆที่นายนิระยะบาลเป็นผู้ทา ร, รวมทั้งแสดงถึงมหานรกนรกคูดคือนรกอุจาระและนรกชื่อกุกุลละซึ่งมีการลงโทษทรมานอย่างน่าสยดสยอง